ความดีข้ออื่นอยู่เสมอทางด้านทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองค์แปดเมื่อปฏิบัติกระทําเพิ่มเดิมอยู่เสมอเสมอ ความดีที่กระทำไว้เสมอๆนี้ก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เรยว่า บ, บารมีได้เหมือนกันแม้ในด้านความชั่วที่กระทำไว้ก็เพิ่มเติมขึ้นได้เ ส, เสมอเสมอเหมือนกัน ต, ตลอดตลอดจะพ้งกิเลส ปิเลกกองโลภของโกรธของหลงที่จิตใจนี่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงอยู่บ่อยๆโลภโกรธหลงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันและโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็ดับไปดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่ง แต่ว่ายังทิ้งตะกอนอยู่ในจิตเรียกว่าอาสวะที่แปลว่าดองหรือว่าหมักหมมเรียกว่าอนุสัยที่แปลว่านอนจมหรือหมักหมม อาสวะอนุสัยนี้ตรงกันข้ามกับบารมีบารมีเป็นส่วนดีที่เก็บไว้อาสวะอนุสัยเป็นส่วนช่วยที่เก็บไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผูรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นอนมาก แม้ว่าจะทรงได้ประสบผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ้นภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทำความดีเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอีกแล้ว แปลว่าทรงบรรลุถึงสุดดีสุดชั่วเราว่า ด, ดีนั้นก็เพื่อชาระชั่วเมื่อทําดีถึงที่สุดก็ชําระชั่วได้หมดสิน้นบําเพ็ญบารมีถึงที่สุดก็ชําระอาสวะกิเลสได้หมดสิน้นก็เป็นอันว่าสิ้นทั้งดีทั้งชั่ว คือสุดดีสุดชั่วไม่ต้องทำดีเพื่อละชั่วกันต่อไปอีกเพราะว่าชั่วหมดแล้วก็เป็นอันว่าสุดดีแล้วก็สุดชั่วแล้วจึงมีคำเรียกท่านผู้อยู่ในภาวะเช่นนี้ว่าลอยบุญลอยบาปแล้วคือพระอาหารหันต์ทั้งหลาย แม้เช่นนั้นก็ยังทรงบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นบารมีที่ทรงกระทำไว้แม้ว่าจะถึงที่สุดแล้วก็ยังอำนวยผลให้บังเกิดความผาสุกสะดวกต่างๆ ทั้งที่เป็นไปในทางกายทั้งที่เป็นไปในทางจิตใจหรือทั้งที่เป็นส่วนโลกิยะทั้งที่เป็นส่วนโล ก, กุตระผุสเจา้าทรงได้รับความเคารพนับถือบูชาจากโลก อย่างสูงสุดได้ทรงปราศจากความขัดข้องแดนแค้นทั้งทางพระอวรกายทั้งทางพระหริยัยทรงบำเพ็ญพุทธกิจได้สำเร็จตามที่ ทรงตั้งสังขาราธิฐานคืออธิษฐานพระไยรดารงอายุสังขารเพื่อประกาศพระพุทธาศาสนาให้พระาศาสนาของพระองค์ตั้งมันขึ้นในโลกบริษัานบริษัททั้งสี่ให้บริษัททั้งสี่บังเกิดขึ้น ในโลกก็เป็นอันว่าได้ทรงประสบความสำเร็จตามพระพุท ธ, ธาธิฐานจงได้ทรงปรองอายุสังขารและเสด็จดับขันธปฏิบันิในเมื่อได้ทรงประสบความสำเร็จ ในการประกาศพระคุธศาสนาอย่างสมบูรณ์แล้วเหล่านี้ก็เพราะพระบารมีนี้เองที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นอย่างยิ่งยอดะฉะนั้นจึงทรงได้พระนามว่าพระพักขยะคือพระภูมิพระบารมี มีพระบารมีเป็นเยี่ยมยอดต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสตรแต่ปฏิบัติทาความสงบทางจิตใจต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ อบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์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 บทว่าพักาวานำในความหมายว่าผูหักคือหักกิเลสตามที่ได้มีคาถ า, ถา แสดงไว้แปลกความว่าภูหักราคะหักโทสะหักโมหะเป็นภูไม่มีอาสวะกิเลสที่ ดอกิตตสันดานขับบาปธรรม ท, ทั้งหลายจึงเรียกว่าภะวาในความหมายนี้อันที่จริง ก็เป็นความหมายของพระพุทธคุณตั้งแต่หมดว่าอารหังแปลว่าแต่ละหมดมีพยัญชนะคือถ้อยคำ อีกต่างกันทางอธิบายจึงอาจอธิบายโดยยกเอาพระยัญชนะเป็นหลักว่าเป็นภูหักคือหักกิเลส และก็แสดงอธิบายไปในแนวนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธคุณนั่นแต่ละบทเรียกว่าเป็นอัปปมาโนคือไม่มีประมาณ กว้างใหญ่ไพศาลกําหนดนับไม่ได้หัวกว้างใหญ่เท่าไรหรือถ้าเทียบอย่างวัตถุเช่นมหาสมุทรก็ยังไม่ได้ว่าลึกเท่าไรกว้างเท่าไรฉะนั้น จึงอาจจับขึ้นมาแสดงกันได้แต่เพียงในยะในใดในยะหนึ่งหรือปริยายใดปริยายหนึ่งเท่านั้นและ ก็ไม่มีภูใดแม้ว่าพระอระหันตสาวกทั้งหลายจะยังลงไปถึงพระพุทธคุณได้ท่านระสาริบุตรเทงก็ยังได้กราบคุณพระพุทธเจ้าว่าท่านไม่อาจทราบ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไม่อาจทราบความรู้อันเป็นสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าได้ท่านทราบได้แต่เพียงที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าสาั่งสอนแสดงทางไปสู่ มรรคผลนิพพานและท่านก็ในความเข้าใจว่าก็คงเป็นทางเดียวกันไม่มีทางอื่นนอกไปจากทางพระพุทธเจ้าในตรัสสอนพระพุทธเจ้าเอง ก็ได้เสด็จไปในทางที่ในตรัสสอนนี้ได้ทรงบรรลุมรคนิพพานด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงสั่งสอนภาษาวกกราสาลกระสาวกก็ปฏิบัติไปตามทางเดียวกันนี้ไม่ใช่ทางอื่นและก็ได้บรรลุตามพระพุทธเจ้า ทันก็บรรลุตามพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าทางนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเสเด็จไปถึงก่อนและก็ตรัส บ, บอกพระสาวกพระสาวกก็เดินไปตามทางนี้เท่านั้น ก็บรรลุตามพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ได้เพียงเท่านี้ในความนี้กราบทูลก็เป็นดังนี้แต่ว่าเราะรับพัญญยนยุทธญาณของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นอย่างไรท่านก็ไม่อาจจะทราบได้ เพราะฉะนั้นประทันประสาทิบุตรเองท่านก็ยังได้แสดงดังนี้และท่านก็แสดงพระพุทธคุณตามที่ท่านได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนซึ่ง ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้บรรลุโดยทางนี้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้มีพระคุณตามที่ท่านได้รู้ตามไปเท่าที่ท่านรู้เพราะฉะนั้น พระพุทธคุณพระพุทธคุณแต่ละบทนั้นจึงอาจแสดงอธิบายกันได้โดยอาศัยหลักของพยัญชนะคือถ้อยคำและก็อธิบายไปโดยปริยายคือทางอันหนึ่งแต่ว่าทางที่จะอธิบายแต่ละบทนั้นมากมาย และก็รวมอยู่ในจุดใหญ่อันเดียวกันเป็นพระพุทธคุณรวมอยู่ในคำพระพุทธคุณคำเดียวแม่พระพุทธคุณ ท, ทุกบทที่อธิบายมาก็อธิบายตามที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้อธิบายกันไว้ ตามแนวทางที่ท่านได้ปฏิบัติกันมาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสในใน่งสอนได้ได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่แสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ดังเช่นปฐมเทศนาเป็นต้นเพราะฉะนั้น แม้ใจความของแต่ละบทนั้นจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าภยชันะ น, นั้นต่างกันแล้วอธิบายก็อาจจะอธิบายให้แตกต่างกันไปได้แม้ในบทนี้พระกวาในความหมายว่าผู้หักคือหักกิเลส ดังที่กล่าวมาก็เพืงอธิบายโดยปริยายไปแตกต่างจากที่ได้อธิบายมาแล้วได้คำวมาภูหักกิเลสนี้จะกล่าวว่าเป็นภาษาธรรมะก็ได้ ชาวบ้านไม่เคยจะพูดกันและไม่ค่อยจะได้ฟังกันว่าหักกิเลสแต่มีอยู่คำหนึ่งที่ชาวบ้านพูดกันเน่เข้าใจกันก็คือหักใจดังที่มีคำเตือนกัน เช่นในเมื่อพบคูติดต้องเป็นทุกข์ต้องเศร้าโศกเพราะความพ ร, ดพราดเคล้จากบุคคลในสิ่งที่เป็นที่รักรำครวรนจวนใจก็มักจะเดินกันว่าไอ้หักใจเสีย โดยให้นึกถึงว่าเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกติธรรมดาหลักนี้เป็นต้นตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคำมหับใจนี้เป็นคำที่ฟังเข้าใจกัน แต่อันที่จริงนั้นก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันกันกบคำว่าหักกิเลสเพราะหักใจนั้นก็คือหักตัณหาความดิ้นรนที่ยานยาบอันเป็นเหตุให้ยึดถือ ว่าเป็นตัวเราของเราต่างๆเพราะฉะนั้นจะหักใจได้ก็ต้องหักกิเลสคือตัณหาอุปาทานที่มังเกิดขึ้นในจิตใจนี้เอง แม้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดับทุกก็คือตรัสสอนให้ดับตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองคือให้ดับตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุ เมื่อดับตันหาที่เป็นตัวเหตุได้ <c oughs> ก็ดับทุกได้เพราะฉะนั้นที่ตรัสสอนว่าให้ดับทุกหรือที่สอนกันว่าดับทุกก็คือดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนั่นเอง แม้คําว่าหักใจที่ชาวบ้านพูดกันเข้าใจหรือตามศัพธรรมะว่าหักกิเลสโดยความก็คือดับกิเลสนั่นเองและดับกิเลสนั้น ก็กล่าวได้เป็นภาษาชาวบ้านว่าดับใจนั่นเองคื อ, อดอับใจที่ประกอบด้วยกิเลสและเมื่อดับใจที่ประกอบด้วยกิเลสได้ความทุกข์ต่างๆก็ดับคำเหล่านี้ จึงมีความหมายเป็นอันเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของจิตใจ ย่อมเดือดร้อนแม้คำนี้ก็ตรัสเป็นสามันเหมือนที่ชาวบ้านพูดกันว่าดับใจดังกล่าวนั้นหรือหักใจดังกล่าวนั้นเพราะว่า เมื่อหักใจไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของใจจึงต้องเดือดร้อนและข้อนี้ก็มีความหมายว่าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสในจิตใจนั่นเองแต่ว่าไม่พูดว่ากิเลส พูดกันง่ายๆว่าเป็นไปตามอำนาจของใจแทนที่จะพูดว่าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสในใจละคำว่ากิเลสไว้เสียแต่ว่าก็โค้าใจกันเหมือนคำว่าหักใจ ก็คือหักกิเลสในใจหักตันหาอุปาทานในใจเสียหักความรักเสียความยึดถือเสียเพราะความรักความทุกข์ก็ดับบินามันดาที่เสียลูกเป็นลูกสิยนชีวิต ก็ต้องเศร้าโศกเป็นอันมากสามีภรรยาต้องจากกันด้วยความตายข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องทุกโศกเป็นอันมากทั้งนี้ก็เพราะความรักเรียกว่าตัณหานั่นเองเนี่ก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา เรียกว่าหักใจไม่ได้ดก็คือก็คือหักความรักไม่ได้หักความยึดถือไม่ได้จึงต้องเป็นทุกข์แต่หักเสียได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์สงบทุกข์ได้ความจริงก็เป็นไปอยู่ดังนี้ และเมื่อพิจารณาดูสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็นได้ไม่ยากเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นภูหักกิเลสและได้ตรัสสอนให้ทุกๆคน หักกิเลสตามพระองค์ก็คือตรัสสอนให้ดับกิเลสพูดอย่างสามัญก็คือสอนให้หักใจและให้หักใจและให้ดับใจดังที่กล่าวมานั้นแม้ที่เกี่ยวเกี่ยวกับตนเอง เกีก่ยวกความแก่ความเจ็บความตายของตนเองเมื่อรู้สึกว่าตนจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเมื่อมีตันหาคือความรักชีวิตของตนเอง อย่างยิ่งมีความยึดถืออยู่ในตนเองอย่างยิ่งว่าเป็นตัวเราของเราจรึงต้องมีความทุกข์เดือดร้อนเพราะทุกๆคนนั้นย่อมมีความกลัวตาย อันเรียกว่ามราณาภัยอยู่ด้วยกันเมื่อเป็นสามั ญ, ญชนก็จะต้องเป็นเช่นนี้แม้ว่าเป็นอริยบุคคลคันโสดาบันก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่คล้ายๆกันดังเช่นที่มีเล่า ว, ว่า นางมีสาขามาหาอุบาสิกาซึงแสดงว่าท่านเป็นโสดามันแล้วเมื่อหลานตายก็ยังมีความเศร้าโศกแสดงอาการเศร้าโศกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน ว่าที่ต้องเศร้าโศกหลังนี้ก็เพราะความรักเมื่อมีความรักร้อยหนึ่งก็ต้องเศร้าโศกร้อยหนึ่ง